คำว่าประชาในคําว่าเพราะเห็นหมูสัตว์ดิ้นรนอยู่เขาบอกว่าเพราะเห็นหมูสัตว์ดิ้นรนอยู่เนี่ยนะเป็นชื่อของสัตว์ซึ่งหมูสัตว์ดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวเอ็งเอีย ง, ยงกระสับกระสายไปมาด้วยความดิ้นรนเพราะตันหาตัวเขาเองจริงๆก็ต้องดิ้นรนเพราะตันหาใช่ไหมตันหาเนี่ยทำให้เขาไม่รู้จักพอเนี่ยนะกระเสือกกระสนดิ้นรนตาย บางทียังไม่ได้เลยตายซะก่อนก็มีใช่ไหมที่ดิ้นรนด้วยอำนาจตันหาอย่างที่คุณมุนชูว่าเข้ามาเที่ยวไหแล้วก็มาเทกระจาดตายกันเกลี้ยงอย่างนี้นะเพราะเนี่ยเขดิ้นรนไปเพราะอำนาจตันหาเนี่ยก็มีถ้าถ้าอยู่บนท้องถนนเนี่ยมีคันไหนบ้างอ่ะนะที่ไม่ไปด้วยอำนาจตันหานำหน้า่ น, นไม่ปราบบางอย่างอ่ะนะถ้ามีฐานะหน่อยก็ปราถนาแค่ไปเห็น นนะคนที่ดีหน่อยนะอยู่ในฐานะระดับสูงหน่อยไปเพื่อจะเห็นไปเพื่อจะได้ยิน น, นะนะหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเพื่อทวานมุตตารมเนี่ยนะคือทวานจมูกทวานลิ้นกับทวานกายอย่านนะีก็ไปเพื่อทวานห้านะก็สแสวงหาทวารอารมณ์ในทวานหา้าไอการสแสวงหาอารมณ์ในทวานห้าเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็คือสแสวงหากวามอันนั่นแหละเป็นผลมาจากตัณหาตัณหาเนี่ยทำให้ดิ้นรนไป หรือความดิ้นรนเพราะทิฐิะนะพวกถ้าที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยจะเห็นชัดพวกที่ดิ้นรนเพราะอำนาจทิฐิเนี่ยพวกนักบวชแต่ละละทัทธิแต่ละละทันะะทธิเนี่ยนะนั่นแหะเพราะทิฐิเนี่ยทาให้เขาดิ้นรนขนาดนั้นหรือความดิ้นรนเพราะกิเลสเห็นยหมเร่าร้อนเพราะกิเลสหรือดิ้นรนเพราะทุกขจริตเนี่ยนะสมมติว่าไปทําความดิ้นรนเพื่อจะทําชั่วนะ่ก็เดือดร้อนเต็มทีเลยไหมหรือเดือดร้อนเพื่อจะแก้ความชั่วที่ตัวเองทําไหมเนะี่ย ก, ก็ก็เกษระเกษรเต็มที่เหมือนกันหรือดิ้นรนเพราะประโยคาประโยคาก็คือกายประโยค่วจีประโยค่มโนประโยคเนี่ยนะก็เดือดร้อนอนะ่ะหรือเดือดร้อนด้วยดิ้นรนเพราะผลของกรรมเนีย่ยนะผลของกรรมเนี่ยก็ทำให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายสาหรับผู้ที่ด้วยราคาของผู้กำหนัดด้วยโทสะของผู้ขัดเคืองด้วยโมหะของผู้รุ่มหลงด้วยมานะ เป็นเครื่องผูกพันด้วยทิฏฐิเป็นเครื่องผูกมั่นด้วยความฟุ้งซ่านที่ฟุ้งเฟอ้อเนี่ยนะหรือด้วยอํานาจวิจิกิจชาที่ไม่แน่ใจด้วยอํานาจอนุสัยที่มีกําลังก็คือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอุทธะวิจิกิจชาอนุสัยกิเลสเนี่ยนะหรือดิ้นรนด้วยอํานาจของอะไรด้วยลาบบ้างบางผู้ก็ดิ้นรนเพราะความเสื่อมลาบ ดิ้นรนเพราะยศดิ้นรนเพราะความเสื่อมยศดิน есть, ด้นรนเพราะสรรเสริญดิ้นรนเพราะนินทาดิ้นรนเพราะความสุขบางคนก็ดิ้นรนเพราะความทุกข์นะดิ้นรนเพราะสุขไงก็คือแสวงหาสุขพอทุก <t> ข์ก <un> ็ดิ้นรนในนี <t> ้ธรรมดาหรือบางคนก็เพราะชาติเนี่ยนะดิ้นรนเพราะชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตสําหรับสัตว์ที่เกิดมาก็ดิ้นรนอย่างนี้นะชาติชราพยาธิมรณะเนี่ยนะทุกข์อันมีในนรก ทุกอันมีในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานทุกอันมีในเปรติวิสัยทุกอันมีในหมู่มนุษย์ถ้าถ้ามองภาพนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมองกวาดหมดเลยนะตั้งกตนรกนะไหลเป็นถึงพรหมโลกด้วยอํานาจของการเกิดนาะเนี่ยต้องทุกอะไรบ้างในวะตะัตฏะแล้วเมื่อรับอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยความคิดใดเขาเกิดขึ้นบ้างอนะอกุศลตัวใดบ้างมันเล่นงานเข้าในขณะนั้นนนั้แต่ละอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะมันจะเห็นว่าเขาหน้าการุณาขนาดไห น, น หรือว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์น่ะทุกข์เพราะเกิดในคันเป็นมูลทุกเกิดในคันเนี่ยนะเราวุกไม่น่ากลัวถามว่า ما, ถ้าแม่เป็นเอิดละ่ะถ้าแม่เป็นขี้เหล้าเมายาละ่ะยังไงก็เดือดร้อนเหมือนกันนะเกิดในคันหรือว่าทุกข์ที่มีอยู่ในคันเป็นมูลหรือว่าทุกข์ที่คลอดจากคันเน่ยนะทีถ้าก่อนหน้านี้ก็คันวิบัติ ด, ด้วยะทุกข์เพราะคลอดทีนี้ทุกข์อันติดตามสัตว์ผู้เกิดมาแล้วเนี่ยนะเรียกว่า อ้ยู่ในคันเนี่ยก็ทุกข์เนะในคันหนักหนาเต็มทีแล้วไนงะแล้วคลอดออกมาจากคันเนี่ยปัญหาหลังจากคลอดออกมาแล้วก็เหมือนที่เห็นเ น, นี่แหละหรือว่าบางทีก็ทุกข์ทำเองก็มีหรือทุกข์อันเนื่องแต่ผู้อื่นของสัตว์ทุกเกิดแล้วก็มีก็หมายว่าคนอื่นเข้ามาทําให้อะไหนหรือว่าทุกข์อันเกิดแต่ความขวนขวายของตนทุกข์อันเกิดแต่ความขวนขวายของผู้อื่นอนนะ้แล้วก็ทุกข์ถ้าแบ่งตามเวทนาก็คือทุกขะทุกใช่ไหมสุขเวทนาก็ยังเป็น เวปรินามทุกอุเบขาเวทนาก็เป็นสังขาระทุกนั่นแหะนะว่าโดยรวมๆเนี่ยทุกเพราะไม่เที่ยงบ้างทุกเพราะเจ็บปวดบ้างทุกเพราะความสุขแปรไปบ้างนะนะก็ถามว่าคนที่เสวยความสุขอยู่ถ้ารู้ว่าตัวเองจะหมดความสุขอันนั้นไปเนี่ยเขายิ้มเลยใช่ไม่มีความสุขไหมไม่มีนั่นแหละนะนะ แลือถ้าทีนี้ถ้ามีร่างกายล่ะอ่ะถ้ามีร่างกายอ่ะไล่ไปเถอะร่างกายในส่วนไหนบ้างโรคตาไงนะมีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีลิ้นก็โรคลิ้นมีกายก็โรคกายไงโรคศีสะโรคที่ใบหูเนี่ยนะโรคที่ใบหูบางคนนึกไม่ออกบางคนเนี่ยมีสิวที่หูเนี่ยนะที่มันบวมบวมพองมากแล้วก็ปวดตลอดเลยเ น, นี่ยนึบหนึมันเป็นกลุ่มฝีกลุ่มสิวเนีน่ยที่ที่เป็นเกิดจากการอักเสบที่ใบหูเนี่ยมี หรือว่าโรคโรคปากเนี่ยนะโรคฟันโรคไอโรคหืดเนี่ยนะโรคหืดเมื่อถ้าถ้าเป็นที่นี่นะถ้าเป็นที่นี่มีเคยมีพระรูปหนึงอะท่านเป็นโรคหอบหืดมาอยู่อันเวลาท่านเดินถึงกุฏิเนี่ยจะต้องพ่นยาเนี่ยมานั่งหอบหืดทึ่อฟาดคลื่คาดเนี่ยนะโอ้ยทุกทรมานมากนะหอบหืดเนี่ยถ้าไปเห็นเด็กแล้วนะเห็นเด็กที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยเหมือนกับว่าเขากําลังจะตายอะ เห็นไหมเขาอาการมันมันน่ากลัวมากเลยนะหายใจเนี่ยเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็ยุบลงไปแล้วก็เหมือนกับโหายใจเนี่ยมันหายใจยากอ่ะนะเขาทรมานมากเลยนะก็ทุกมากหรือว่าโรคโรคหวัดเนี่ยนะไข้หวัดไข้หวัดในกลุ่มไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาการเนี่ยเป็นเอามากเหมือันหรือว่าไข้พิษไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรค ลงรากโรคเรือนเนี่ยนะโรคเรือนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นมากเนี่ยนะหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของคนโรคเรือนอยู่เมื่อก่อนเนี่ยนะทางทางตรงนี้ไปสักสองรอยเมตรเนี่ยเป็นที่กลุ่มของคนโรคเรือนเนี่ยอยู่บันคนเป็นโรคเรือนก็จะให้มาอยู่เนี่ยพวกนี้นอนใบตองกล้วยเนี่ยนะตรงนั้นนะ่ะตรงที่ตรงนั้นนะ่คุณโชคดีจะเห็นรู้ว่าที่ที่ช่องแถวๆนั้นนะ่ะข้ า, างหลังหมู่บ้านเนะี่ย เป็นที่เขาให้คนโรคเรื้อนมาอยู่มาก่อนนะเมื่อหลายปีก่อนนู้นใช่ไหมเรียว่ากลุ่มโรคเรื้อนเขาจะอพยพให้มาอยู่กลุ่มนี้เลยเนี่ยนะมันนอนใบตองกล้วยอยู่นี่แหละเรกว่าพวกโ ร, โรคโรคไข้หวัดโรคไข้ทรพิษเนี่ยนะไข้เสื่อมซึมโรคในท้องโรคกลมสลบโรคบิดท้องเสียนะกลุ่มบิดกับท้องเสีย โรคจุกเสียดเนี่ยนะโรคลงรากโรคเรือนโรคฝีโรคกลากโรคมงคล้องมองคล้อนี่ท่านก็บอกว่า10คือโรคสายสายเนี่ยประเวณีเนี่ยกลมเนี่ยสมัยนี้ก็คือโรคเอดนั่นแหละกลุมโรคเอดทั้งหลายแหละโรคลมบ้าหมูโรคหิตเปื่อยโรคหิตด้านโรคหูดโรคละลอกโรคคุ้ตราชเนี่ยนะหรืออาจีญเนี่ยนะโรคโรคเลือดอะโรคดี โรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤาษีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุธฐานถามว่าถ้าดีน้ําดีเนี่ยหลังมากเกินเนี่ยมีโรคไหมถ้าน้ําดีไม่หลังเลยเนี่ยนะมีโรคไหมนเนี่ยนะดีซ่าน่ะนะกลุ่มโรคดีก็คือเรว่าลืมตาดูก็ยังเหลืองที่ตาที่อะไรไปหมดเลยกลุ่มเนี่ยหรือมีเสมหะเป็นสมุธฐานเนี่ยนะคนที่มีเสมหะน้อยกับคนที่มีเสมหะมากเนี่ยก็นํามาซึ่งโรคอะ่ะ หรืออ า, าพาธมีลมเป็นสมุทฐา น, นนะลมลมบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้ท้องแตกได้นะก็โลทําพวกลมโรคที่ทําให้ท้องแตกคือจริงๆแล้วอะ่ะต้นเดิมจริงๆมาจากโรคตับนะมาจากโรคตับนะแต่ตอนหลังก็ทําให้สามารถท้องมันโตขึ้นโตขึ้นมันปริท้องแตกได้หนังสือคุณหมอเอามาให้เนี่ยมีโรคอุ้ยท้องโตมากเลยถ้าปล่อยมักนานๆก็ท้องแตกจริงๆนั่นแหละโรค ที่เกิดจากสันนิบาต น, น, นะนะก็คือมีทั้งดีเสมหาและลมหรือว่าเกิดเพราะฤดูแปรปรวนก็ถามว่าอย่างข้างเหนือเราเนี่ยนะคนจะตายช่วงไหนมากก็คือช่วงที่หมดหนาวเข้าร้อนเนี่ยช่วงนั้นคนจะตายมากมากกันเขบอกว่าทําไมช่วงนั้นจึงตายก็บอกว่าเพราะฤดูมันแปรปรวนสมเด็จพระสังฆราชรูปหนึ่งท่านแสดงธรรมไว้ว่าพระพิสุจะตายช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมาก ช่วงหลังๆเข้าพรรษาไม่นานนะถามว่าทําไมเพราะนั่งรับแขกมากกว่า น, ะ <c oughs> นั้นนะกว่าจะเข้าพรรษาเนี่ยกลุ่มอุปชาทั้งหลายใช่ไหมบวชก่อนเข้าพรรษากันหนักเต็มทีแล้วนะนั่งช่วงเข้าพรรษาหลังเข้าพรรษาก็นั่งรับแขกกันนั่นนะก็บอกพระช่วงนั้นจะตายมากกว่านะันสมเด็จพระสังฆราชนะทันเทศนะั่งกันหรือว่าอาพาธที่เกิดจากการไม่บริาบรหารไม่สม่ําเสมอเนี่ยนะนะที่บริหารไม่เหมาะสม ถ้าบริหารไม่ดีเดี๋ยวก็เอาละมันเริ่มเริ่มเล่นงานแล้วนะหรือโรคที่เกิดจากความเพียนเกินกำลังเนี่ยนะเช่นออกกำลังกายจนตายอย่างเงี้ยวิ่งจนตายอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือคือ ค, อคว่าทํามากเกินอะ่ะจนตายเลยนะเพียนเกินกำลังก็คือทํา ม, มากจนตายอะ่ะ แข็งคัทมากนะเรื่องออกกำลังกายเนี้ยอตอเช้าเขาวิ่งทุกวันผมติดดูนานหลายปีนะวิ่งมาติดต่อกันการออกกําลังการนี้ถ้าหากว่าอืออกมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไมไ่ไม่ได้ออกเลยก็ไม่ได้ครับมันเป็นภาระจริงๆเลยครับอย่งเี้ครับแค่ออกเวลาสักครึ่งชั่วโมงนีดหมผมยังเบื่อเลยครับไม่ว่าจะเดินสายพานไม่ว่าจะไปเดินธรรมดาขี่จั ก, กรยานอะไรพวกนี้นะฮะ หนึ่งมันมันเป็นภาระกับผมมาไม่ออกก็ไม่ได้ถ้าถ้าไม่ออกนะฮะนอนไม่หลับครับคนแก่นะฮะนอนไม่ค่อยหลับนะครับนะฮะแล้วถ้าออกก็ต้องเสียเวลาสมมติถ้าเราจะไปไหว้น้ําก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ต้องไปหาสาไหว้น้ำต้องเอากางเกงไปต้องมันยุ่งจริงๆเลยครับจะไปออกกําลังทางไหนศูนย์ข้อกําลังก็ต้องไปเสียเงินเสียทองต้อครับขําลาไปนะมันเป็นภาระมากๆนะ แสดงแสดงว่าเห็นภัยของขันห้าเต็มที่เลยนะเองก็ไม่ได้ก็มันเป็นพาราจริงเพราะองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าตัวภาราก็คือขันห้าถ้ามหาภูตรูปสี่นะบริหารไม่ดีเนี่ยธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองใช่ไหมถ้าธาตุดินไม่ขยับเนี่ยธาตุน้ํามีปัญหาเลยแต่ถ้าธาตุน้ําไม่ไม่เกิดการขยับตัวเนี่ยนะน้ําที่ไหนไม่มีไม่ไหลเวียนที่นั่นคือจะเน่าละ ก็คือเน่าละวแต่นี่อาการที่จะให้ขยับต้องอาศัยอะไร อ, อาศัยวายโยเนี่ยให้ขยับกันทีนี้วายโยที่จะเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยปฐวีใช่ไหมทิงสัมพันธ์กันหมดเลยพูดถึงว่าถ้านเราไม่ออกกําลังนะฮะแคลเซียมแคลเซียมก็กระดูกก็บางลงนะฮะไอ้การที่กระทือกระเทือนเนี่ยทําให้กระดูกแข็งแรงขึ้นเออแปลงไหมครับ การที่เราเดินออกกําลังกระทึงกระเทือนเนี่ยนะมีผลต่อกระดูกมากครับแต่ถ้าไม่เลยนะฮะกระดูกจะจะอ่อนแอมากเลยแล้วถ้าไม่ออกกําลังก็ถ้ามีแต่ทานเข้าไปอย่างเดียวนะยิ่งแย่ยหญ่เลยครับนะไอไขมันก็มากไอพวกอาหารมันก็ล้นนั่นนะฮะโอ้มันเยอะมากเลยครับเลือดเลือดมันไม่ไหลเวียนเนี่ยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บความต้านทานโลกก็ไม่มี ก็ะะเหมือนกับรถที่เซือเออเ้อมาแล้วก็จอดทิ้งไว้ตลอดเลยนะคนที่ป่วยเจ็บไข้เวปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่าไม่ออกกําลังกา ย, น ะ, ะา น, า ย, ายนะทานเข้าไปอย่างเดียวทาน้าไปอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนี่น ะ, ะอนี่แหละครับเป็นโรคแล้วก็พอเป็นโรค ก, ก็ไปทานยาใช่ไหมพอทานยาก็เป็นฐานเคมีใช่ไหม อ, อีกแล้วนั่นน ะ, ะแพ้ยามั่งอะไรมั่งเลยน ะ, ะมันไม่ใช่รักษาด้วยการทานยาเลย ขันธ์ขันธ์ประโยอืมถ้าขันธ์มันตัวภาระอยู่แล้วไนงะคําว่าภาระนี้แปลว่าหนักนะเป็นตัวหนักมากงั้นบริหารปฐวีาธาตุก็ขัดกับอาปโปนะคือถ้าให้ปฐวีมันนิ่งๆอย่างเดียวอาปโปมันก็จะก็เหมือนกับสมมติว่าปฐวีาธาตุนอนนิ่งเลยนะไม่ให้มันขยับหรอกคุณเหมือนก็นว่าเช่นนอนตลอดเลยไนงะอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าตรงไหนกดมัน ตรงนั้นอะแผลกดทับก็คืออาโปธาตมันเน่าอาโปธาตก็เน่าขึ้นทีนี้ถามว่าเมื่ออาโปธาตมันเน่าอ่ะมันก็สร้างปฐวีคือไอ้สร้างเตโชขึ้นใช่ไหมที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเนี่ยนะคือตัวอาโปเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ได้เป็นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เจ็บหรอกคือไม่ใช่โพธพารมแต่ว่าเตโชธาตที่เกิดร่วมกับอาโปนั่นแหละมันจะทําให้เจ็บปวด สมมติว่าอย่างเราเป็นแผลสีหนองเนี่ยเป็นสีเป็นห น, นองเนี่ยอตัวน้ําไม่ได้ทําให้เจ็บหรอกแต่เตโชธาตที่อยู่ในนั้นอะ่ะมันทําให้เป็นผดผลารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดนะอันถ้าบริหารรู ป, ปขันไม่ดีเวทนาขันไม่ชอบนะทุกขเวทนาก็เกิด น, นะพอ ท, ทุกขเวทนาเกิดสัญญาก็เป็นไปตามนั้นแหละสมมติถ้าโทสะนะสมมติถ้านอนปวดแล้วก็ป่วยแล้วก็ปวดตลอดโทสะเกิด ถามว่าสัญญาจะเป็นสัญญากลุ่มไหนพยาปาทะสัญญาจะเกิดกามสัญญาก็เกิดพยาปาท่าสัญญาก็ตามมานี่นหรือวิหิงสาสัญญาก็ตามมา